ตอนที่171คนคุ้นเคยคนไข้ที่มาขอความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์เซียมีอายุถึง60ปีแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่หลีหวันคิดไม่ถึงแน่นอนว่านางไม่ได้รังเกียจที่อีกฝ่ายอายุมากเพียงแต่การฟื้นตัวในภายหลังย่อมไม่ดีเท่ากับคนหนุ่มสาวมีหน้าเล่าทางโรงพยาบาลถึงไม่กล้าทําการผ่าตัดสําหรับคนแค่แล้วแพทย์แผนจีนอาจเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดศา ส, สตราจารย์เซียไม่ว่าอย่างไรท่านต้องช่วยพ่อผมให้ได้ขอแค่ท่านช่วยให้เขารอดชีวิตต่อให้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ผมก็ยินดี ชายคนนั้นสวมนาฬิกาทองเรือนใหญ่ที่ข้อมือเส้นผมชโลมน้ำมันจนเรียบแไรทุกส่วนบนร่างกายเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเศรษฐีใหม่คุณนี่ต้องรีบร้อนผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีแต่คุณก็ทราบดีว่าตอนนี้พ่อของคุณมีอาการอย่างไรหากรักษาด้วยแพทย์แผนจีนผลลับอาจไม่รวดเร็วเท่าการผ่าตัดหรืออาจจะรักษาให้หายขาดได้ไม่ว่าอย่างไรพวกเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถส่วนที่เหลือก็สุดแท้แต่โชคชะตาเสี้ยเหล่าเอ่ยปลบด้วยน้ำเสียงทุ่มตำผมขอตรวจอาการของคนไข้ก่อนแล้วกันได้ครับครับท่านเชิญตรวจก่อนเลย ชายคนนั้นรีบหลีกทางให้าศาสตราจารย์เซี่ยทันทีเสี่ยวหวานเจ้าก็เข้ามาด้วยหลังจากเซี่ยเหล่าเข้าไปแล้วเขาเห็นหลี่หวานยังคงยืนนิ่งอยู่ที่ประตูห้องพักผู้ป่วยจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเร่งยืนเหมือลอรตรงนั้นเปล่าค้าหลี่หวานแค่รู้สึกคุ้นหน้าชายคนนี้อย่างบอกไม่ถูกเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนางสลัดความสับสนในใจทิ้งไปแล้วเดินเข้าไปจับชีพจรที่ข้อมือคนละข้างกับเซี่ยเหล่าสีหน้าของเซี่ยเหล่าเคร่งครวมลงอาการของคนให่หนักกว่าที่เขาคิดไว้มาก ภายในสมองมีการอุดตันอย่างรุนแรงถึงขั้นกดทับเส้นประสาทในบางจุดซึ่งเขาสามารถรับรู้ได้เพียงแค่การตรวจชีพจรเท่านั้นอาจารย์ขอลองใช้การฝังเข็มดูก่อนได้ค่ะหลีหวันเอ๋ยแต่คนไข้าอายุมากแล้วฉันไม่แน่ใจเรื่องความสามารถในการฟื้นตัวของร่างกายทุกอย่างล้วนไม่แน่นอนคะ่ะตกลงเจ้าเตรียมตัวเถอะเสี่ยเหล่าพยักหน้าเห็นด้วยกับสิ่งที่หลีหวันพูดและเริ่มการฝังเข็มทันทีเพื่อดูผลเบื้องต้นหากคนที่มีทีท่าว่าจะฟื้นนั่นแสดงว่าการฝังเข็มได้ผล ขั้นตอนต่อไปคือการฝังเข็มควบคู่ไปกับการดื่มยาจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกายเอ๊ะเดี๋ยวสิชายคนนั้นที่ยืนเฝ้าอยู่ข้างๆดูอยู่นานเดิมทีเขาคิดว่าหลีหวานที่เป็นนักศึกษาคงแค่มาช่วยหยิบจับของให้เสียเหล่าแต่ใครจะไปคิดว่านางจะลงมือเองแบบนี้จะดีหรือเสียเหล่าท่านจะให้นักศึกษามาฝังเข็มให้พ่อผมหรือครับเข็มยาขนาดนี้ถ้าปักลงไปบนหัวแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาจะทําอย่างไรไม่ได้ครับให้ท่านเป็นคนทําดีกว่าคุณแน่ใจนะว่าจะให้ผมทํา เซี่ยเหล่าไม่ได้อธิบายอะไรเพียงแต่ยกมือขึ้นให้อีกฝ่ายดูมือของเขาในสภาวะหยุดนิ่งยังสั่นไม่หยุดหากเป็นเช่นนี้เขาคงแม้แต่จะถือเข็มให้มั่นยังทำไม่ได้ผมมีชีวิตมาค่อนเกือบทั้งคนแล้วจะไม่มีจันยาบรรแพทย์แม้แต่นิดเดียวเลยหรือหากลูกศิษย์คนนี้ของผมไม่มีความสามารถผมย่อมไม่มีทางให้นามาปรากฏตัวที่นี่แน่นอนเซี่ยเหล่ารู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยชายคนนี้กำลังดูถูกสายตาของเขาชัดชัด หากคุณไม่เชื่อมั่นในตัวพวกเราสิทธิอาจารย์พวกเราก็จะไม่บังคับเชิญคุณไปหาหมอที่เก่งกว่านี้รักษาพ่อของคุณเถอะพูดจบเสียเหล่าก็ทำถ้าจะหันหลังกลับชายคนนั้นไม่มีทางเลือกเพราะบุคคลระดับปรมาจารย์ในวงการแพทย์แผนจีนก็คือาศาสตราจารย์ผู้เท่าตรงหน้านี้หากแม้แต่เขาบอกว่าไม่มีวิธีคนอื่นก็คงไร้หนทางยิ่งกว่าผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วท่านอย่าถือสาผมเลยครับชายคนนั้นรีบขอโทษตกลงครับท่านว่ายอย่างไรก็ว่าตามนั้นเสียเหล่าปลายตามองเขา ตอนที่ลูกศิษย์ของผมลงเข็มคุณยืนอยู่ตรงนี้ไม่เหมาะสมมันจะทําให้นางเสียสมาธิได้ผมแนะนําว่าคุณควรไปรอข้างนอกสักพัฒจะดีกว่าตกลงครับชายคนนั้นเดินออกไปข้างนอกตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆเริ่มเถอะเสีย้ยเหลาส่งสัญญาณให้หลีวันดําเนินการต่อจะตั้งใจจะปักที่จุดชีพจรไหนอย่าลืมบอกข้าก่อนล่วงหน้าด้วยตําแหน่งที่หลีวันฟังเข็มส่วนใหญ่อยู่ที่กลางสีสตามด้วยบริเวณลำคอนางปักเข็มลงไปอย่างหนาแน่นหลายสิบเล่มจนคนทั่วไปมองดูแล้วรู้สึกหวาดกลัว ขั้นตอนต่อไปคือการรอจนครบเวลาแล้วจึงถอนเข็มออกจากนั้นค่อยดูอาการของคนเทว่าเป็นอย่างไรเสร็จหรือยังครับชายคนนั้นถามอาการอยู่ที่หน้าประตูห้องพักผู้ป่วยอย่างร้อนใจเขาชะงักหน้ามองเข้าไปในห้องพอเห็นสภาพพ่อก็ตกใจจนหน้าเปลี่ยนสีนี่นี่มันวางใจเธอยังมีชีวิตอยู่เสี้ยเหล่าส่งสายตาบอกให้ชายคนนั้นใจเย็นๆสิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนปกติของแพทย์แผนจีนหากเป็นการผ่าตัดของแพทย์แผนปัจจุบันภาพที่เห็นจะน่ากลัวกว่านี้มาก อ๋อครับครับชายคนนั้นพยักหน้าซ้ำๆสายตาจับจ้องไปที่หลีหวันพรางพิจารณาว่าเด็กสาวคนนี้อายุยังน้อยแต่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆหลีหวันรู้ว่าถูกจ้องมองนางจึงหันไปสบตาชายคนนั้นตรงๆอย่างไม่เกรงกลัวก่อนหน้านี้คนที่เคยมีปัญหาด้านอื่นไหมคะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีครับพ่อของผมร่างกายแข็งแรงมาตลอดครั้งนี้เป็นเพราะอุบัติเหตุหกล้มเลยทาให้กลายเป็นแบบนี้อืมดีค่ะ หากไม่มีโรคประจำตัวอื่นแทรกซ้อนก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะโอกาสที่จะรักษาสำเร็จในภายหลังจะมีมากขึ้นเมื่อครบเวลาครึ่งชั่วโมงหลีหวานก็ถอนเข็มออกทันทีชายคนนั้นรีบก้าวเข้าไปที่ข้างเตียงผลที่ออกมาเหนือความคาดหมายคือบริเวณที่ฝังเข็มลงไปไม่มีแม้แต่หยดเลือดสักนิดเดียวเฮ <c oughs> มหัศจรรย์จริจรงๆเขาพึมพำออกมาเซียเหล่าเห็นท่าทางเหมือนคนไม่เคยเห็นโลกของเขาจึงกระตุกมุมปาก ตอนนี้ไปหาพยาบาลให้ช่วยพาพ่อของคุณไปทำซีทิสแกนสมองอีกรอบอีกสักพักผมจะดูผลได้ครับผมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ลิวันเก็บเข็มเงินกลับไปเพื่อทําความสะอาดและฆ่าเชื้อใหม่หลังจากนางจัดของเสร็จเสียเหล่าก็แสดงสีหน้าพอใจกับการแสดงออกของนางเมื่อสักครู่อย่างมากแม่หนูวันพวกเราสองคนก็รู้จักกรรมนานขนาดนี้แล้วบอกความจริงกับข้าหน่อยได้ไหมสิ่งเหล่านี้เจ้าอ่านเจอจากในหนังสือเองจริงๆหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองจนเก่งขนาดนี้เลยหรือไม่ใช่ค้า เมื่อของหลีหวานชะงักไปเล็กน้อยสุดท้ายนางก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเสี้ยวเหล่ารู้ว่านางมีความลับในเมื่อนางไม่อยากพูดเขาก็จะไม่เซาซีแต่นางมีพรสวรรค์ในด้านนี้จริงๆผลการตรวจออกมาแสดงให้เห็นว่าอาการอุดตันเริ่มบรรเทาลงขั้นตอนต่อไปสามารถทําการฝังเข็มต่อได้โดยที่ยังไม่ต้องกินยาจีในตอนนี้ให้ใช้ยาแผนปัจจุบันควบคุมอาการเลือดข้างในสมองไปก่อนแม่หนูเมื่อกี้ขอบคุณเธอมากนะไม่นึกเลยว่าเธอจะมีฝีมือจริงๆ ชายคนนั้นหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าสตางค์อย่างใจกว้างและยัดใส่มือนางอย่ารังเกียจว่ามันน้อยเลยนะครั้งนี้ผมไม่อย่างกระทันหันเกินไปแค่จ่ายค่าโรงพยาบาลก็หมดไปเยอะแล้วไว้คราวหน้าผมจะให้เพิ่มนะฉันไม่รับค่หาหลิวหวันไม่รับค่ารักษาเพิ่มเติมอีกอย่างที่นี่คือโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลมีมาตรฐานการเก็บค่ารักษาอยู่แล้วรับไว้เถินนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของผมเมื่อเห็นนางไม่รับชายคนนั้นก็หันไปยัดเงินใส่สัสตรา์จารย์เสียแทนวันนี้รบกวนท่านจริงๆฝากดูแลร่างกายพ่อผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆคุณเป็นลูกที่กระตันยูนะเสียเหลือกมองเงินปึกหนึ่งที่ถูกยัดมาให้แต่โรงพยาบาลมีกฎระเบียบห้าหมอรับเงินสินบนส่วนตัวคุณยัดเงินให้พวกเราสองคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยากให้พวกเราทำผิดกฎหรอกนะ